สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิธรบาลนะครับในเช้าวันนี้เราขึ้นสุภาษิตบทที่ย6บทเรียนจากสุภาษิตวันนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าเกียรติไม่คู่ควรกับคนโง่ดังหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยวนกกระจอกย่อมโผพินและนกนางแอน่นย่อมโบยบินฉันใด คำสาปแช่งย่างไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลฉันนั้นแท่สําหรับมา้าบางเขียนสําหรับลาและไม่เรียวสําหรับหลังคนโง่อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีปัญญาผู้ที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ ก็เหมือนตัดเท้าทั้งสองข้างออกและดื่มความรุนแรงสุภาษิต ท, ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิ ก, การที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์ผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิงสุภาษิต ท, ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนตอนน้นหนามอยู่ในมือของคนขี้เมาผู้ที่จ้างคนโง่หรือคนที่ผ่านมาก็เหมือนนักธนูที่ยิงทุกคน คนโง่ที่ทำความโง่ซ้าแล้วซ้าอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสํารอกออกมาเจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าเขาพี่น้องครับการเปรียบเทียบนั้นมีพลังอำนาจพอสมควรครับเพราะว่าการเปรียบเทียบอย่างเช่นหิมะในฤดูร้อนหรือฝนในฤดูเก็บเกี่ยว เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเหมือนกับการที่เราไม่ต้องการเห็นคนงโง่นั้นมีความงโง่อยู่พี่น้องครับการเปรียบเทียบนั้นมีพลังทาไมถึงมีพลังครับทาให้คนคิดครับทำให้คนได้คิดแต่เมื่อคนได้คิดนั้นเขาจะเห็นภาพและเมื่อเห็นภาพนั้นเขาจะได้รับคำสอนหรือวัตถุประสงค์ของคนที่ใช้การเปรียบเทียบพระเยซูก็ใช้การเปรียบเทียบครับใช้คาอุ ป, ปมานะครับ ใช้คําเปรียบเปยพี่น้องครับ <c oughs> คนโง่ <c oughs> นะครับที่อยู่ที่นี่ก็ถูกเปรียบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในบทนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการเปรียบเปรียบเป ร, เปรียบเสมือนหรือคําว่าใช้คําว่าดังเช่นนะครับอยู่หลายข้อด้วยกันครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีทั้งหมด13ข้อนะครับพี่น้องลองนับดูปกติแล้วหิมะมันไม่ตกในฤดูร้อนหรอกครับแล้วก็ฝน ในปาเลสไตน์นั้นก็ไม่ตกในฤดูเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันสามารถที่จะทำลายพืชผลได้เพราะฉะนั้นการให้คนโง่อยู่ผิดตำแหน่งหน้าที่นะครับและก็มีเกียรติก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ติดตามหรือผู้ร่วมงานของเขานั้นสับสนครับข้อที่2บอกว่านกกระจอกย่อมโผพินและนางแอน่นนกนางแอ่นย่อมบอยบินฉันใดคำสาปแช่งอย่างไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลฉันนั้น พี่น้องครับการเปรียบเทียบเรื่องของคําสาบแช่งกับการบินของทั้งนกกระจอกทั้งนกนางแอ่นก็คืออะไรครับก็คือมันบินแบบเราไม่สามารถที่จะคํานวณทิศทางได้นะครับนั่นหมายความว่ามันบินอย่างที่ว่าคาดเดาทิศทางยากครับแสดงให้เห็นถึงความจํากัดนะครับความจํากัดซึ่งคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสาบแช่งผู้อื่นได้นะครับอย่างเช่นที่ไม่สมควร พี่น้องครับการสาบแช่งคนอื่นนะครับผู้อื่นผู้ที่ไม่สมควรที่ไดรับคํำสาบแช่งมันก็ไม่มีผลเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับดังนั้นถ้าใครสาบแช่งนะคนอื่นผู้ที่ไม่สมควรต่อการสาบแช่งคันสาบแช่งนั้นก็ไม่เกิดผลครับคําสาบแช่งจะไม่ทําให้ตัวมันเองนะครับไปถึงบุคคลที่ถูกสาบแช่งเพราะว่าพระเจ้าทรงควบคุม การสาบแช่งและพระเจ้าไม่ให้สาบแช่งด้วยซ้ําไปพี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มาถึงชีวิตของเราในทุกวันนี้โดยเพราะอย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสาบแช่งเพราะอะไรครับเพราะว่าคําสาบแช่งนั้นจะไม่เป็นผลต่อลูกของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นดังที่คนที่เขาสาบแช่งคนที่เขาเจ็บใจเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เขาเจ็บใจครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าครับ พูดถึงเรื่องของการสาบแช่งนะครับก็ผมอยากจะยกตัวอย่างคนที่ชื่อว่าบาลาอัมนะครับในกัณฑวิถีบทที่22และบทที่23ครับ巴拉อัมนั้นไม่สามารถสาบแช่งสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรไว้ได้พี่น้องครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับชัดเจนครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอวยพรนั้นนะครับใครก็ตามก็ไม่สามารถสาบแช่งได้นะเรื่องนี้เป็นการแก้ไขความเชื่อถือทางไยศาสตร์ครับเพราะเจชนะของพระเจ้านั้นมีพลังเพราะว่าเพราะชนะของพระเจ้านั้น ะจะต้องสาเร็จตามน้ตาลติของปรง่งคำสาบแช่งของใครก็ตามครับจะไม่มีผลอย่างแน่นอนต่อไปครับข้อ3ถึงข้อ12นั้นพูดถึงเรื่องคนโง่ทั้งหมดครับนะครับเราจะเริ่มต้นกันครับแส้สำหรับมาบังเฮียนสำหรับลาไม่เรียวสำหรับหลังของคนโง่อย่าตอบคนโง่าตามความโง่ของเขา เกรงว่าเจ้าจะเหมือนเขาจงตอบคนโง่าตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีปัญญาพี่น้องครับมาต้องใช้บังเหียนบังคับใช่ไหมครับลาก็ต้องถูกควบคุมด้วยบังเฮียนบางทีก็ต้องใช้แท้ครับเหมือนกับคนโง่ครับต้องควบคุมด้วยกฎระเบียบนะการลงโทษทางร่างกายนะครับไม่เรียวเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองต่อคําเชิญชวนของสติปัญญาครับการตอบสนองได้ไวแสดงถึง อัตราความฉลาดนะครับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนโง่นะครับถูกใช้ไม่เรียวควบคุมนะครับเขาก็จะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนเท่านั้นข้อ4ี่ข้อ5ครับมีความหมายเดียวกันนะครับก็คือว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันของการดูแลคนโง่ครับเนื้อหาก็คือว่า เราไม่ควรลดตัวเองมาอยู่ระดับเดียวกับคนโง่อันนี้อยู่ในข้อที่4ครับและบางครั้งบางคราวเราต้องใช้ภาษาของคนโง่เพื่อให้คนโง่นะครับไม่หยิ่งยโสเพื่อที่จะสื่อสารกับคนโง่ที่นั่นครับหลายครั้งทีเดียวครับพระกัมพีได้ให้ข้อพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันแต่จริงๆแล้วนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันครับเราจะต้องไม่ลดตัวเองนะครับมาเกลือเกลัว้วหรือมาอยู่กับคนโง่ตามความโง่นะครับ แต่ในขณะเดยียวกันครับเราต้องสามารถสื่อสารที่จะช่วยคนโง่ให้หายโง่ได้สติปัญญานั่นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะบ่งบอกว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ข้อ4หรือเมื่อไหร่ควรจะใช้ข้อ5พี่น้องครับพระคมภีร์ของคนยิวนะครับมีหนังสือหนังสือที่ใช้อธิบายเรียกว่าท่ามุดนะครับเขาก็อธิบายว่าข้อ4มีคําพูดของคนโง่ที่สามารถเพิกเฉยได้ส่วนในข้อที่5ก็ เลงถึงความคิดผิดของคนโง่ที่ต้องถูกแก้ไขถูกต้องนะครับข้อ4นั้นมีคําพูดของคนโง่ที่สามารถเพิกเฉยได้ข้อ5นั้นเลงถึงความคิดผิดของคนโง่ที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความคิดผิดของเขานะครับที่จะทําให้เขาหยิงยะโสนะครับเราต้องตอบเขาช่วยเขาว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นคนที่มีสติปัญญานะคุณต้องยิ่งถ่อมใจมากกว่านี้นะ ในขณะเดียวกันครับคําพูดของคนโง่าบางอย่างนะครับต้องเพิกเฉยเสียอย่าไปเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับอย่าไปเอามาที่จะมาคิดคํานึงเพราะว่าเราจะเครียดต่อไปครับข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ผู้ส่งข่าวด้วยมือของคนโง่ก็เหมือนตัดเท้าทั้งสองข้างออกและดื่มความรุนแรงสุภา์สิทธที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนกับขาของคนพิการที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์ ผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิงพี่น้องครับการส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ครับและมีแนวโน้มก่อความเสียหายนะครับเหมือนกับการตัดท้าของตัวเองออกนั่นหมายความว่าบางครั้งข่าวสารนั้นจะไม่ถึงมือของผู้รับเลยนะครับเหมือนกับว่าผู้ส่งนั้นพยายามเดินโดยที่ตนเองไม่มีขาไม่มีเท้าจะเดินครับนะการดื่มความเสียหายนะครับก็เป็นการทําลายตัวเอง ดื่มความเสียหายเข้าไปในตัวเองก็เหมือนกับคนคนที่พึ่งพาผู้สื่อสารที่เป็นคนโง่ที่ไม่ซื่อสัตย์ครับวันนี้เราจะจบในข้อที่6นะครับพี่น้องครับผมจะขอสรุปในเช้าวันนี้อย่างนี้ครับว่าการที่เรา a อ, อ, อาจจะเป็นคนโง่เองก็ได้ครับหรือการที่เราอาจะเป็นเพื่อนของคนโง่ครับหรือเป็นผู้บังคับบัญชา ของคนโง่นะครับหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องเข้าใจและสามารถที่จะดูแลทํางานกับคนเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องช่วยเขาให้เขาหายโง่นะครับถ้าเราเราฉลาดกว่าเขาแต่ถ้าเราโง่กว่าเขานะครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เราหายโง่นะครับ คนโง่นั้นยังพอที่จะมะีความหวังครับในการที่เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นถ้ามีความถ่อมใจและพึ่งพาพระเจ้าครับขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ผมหายโง่ในหลายๆเรื่องครับและขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้ช่วยให้คนอื่นหายโง่ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราหายโง่ครับโดยการพึ่งในพระคุณของพระเจ้าและการอธิษฐาน ถ่อมใจลงครับพัฒนาตัวเองแล้วเราจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้าชนะนะครับเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอันเป็นการถวายเกียรติถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าของเราครับอาเมน